กลับมาพบกันอีกครั้งหนึ่งทางสถานีวิทยุกราบกลัวกาวซอยทรอยเฟระอาพจาพระมาหาภัยบุ์หาพี่ปุณโญจากวัดป่าดอนไหาโศกตั้งอยู่ที่อำเภอนองหานจังหวัดอุดรธานีบันทึกเสียงมาแล้วก็ส่งให้ท่านผู้ฟังฟังทางสถานีวิทยุแห่งนี้ข้าพเจ้าก็จะมาพบกับท่านผู้ฟังตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันศุกร์ หลักการหนึ่งที่ข้าพเจ้านํามาเน้นย้าอยู่เสมอท่าผู้ฟังคือเรื่องของการที่เราจะต้องกลับมาที่ตัวแม่บทตัวมาติกาคําว่ามาติกาเนี่ยแปลว่าแม่บทคําว่าปาพจน์เนี่ยก็คือพุทธพจน์นั่นแหละพุทธพจน์ก็คือพุทธวัจ น, นะนั่นแหละก็คือสิ่งที่เป็นคําสอนของพระพุทธเจ้านั่นแหละโดยพยัญชนะเลยการที่เราจะต้องกลับมาที่ตัวบทเปลี่ยนชนะนี้ก็เพื่อที่จะให้ท่านผู้ฟังได้ รู้เข้าใจถึงว่าเอพระพุทธาตรัสอย่างนี้อาจจะมีคนเอาไปขยายความอธิบายต่า ง, างๆนานาอย่างไรอย่างไรซึ่งมันก็จะมีอัตตะคือความหมายในเรื่องของอัตตะในความหมายของถ้อยคําคือเป็นชนะเนี่ยมันอาจจะมีความหมายที่ลึกซึ้งแฝงอยู่ซึ่งแต่ละคนแต่ละท่านก็จะมีความรู้ความสามารถในการเข้าใจที่มีความแตกต่างกันในเมื่อวานนี้ข้าพเจ้าได้นําเรื่องของท่าน พระสารีบุตรที่ถูกโจทย์ด้วยภิกษุรูปหนึ่งมาเล่าเป็นตัวอย่างให้ทัพบูฟังได้ฟังกันโดยได้ให้ฟังเปรียบเทียบระหว่างสิ่งที่เป็นธรรมบทที่เข้ามาขยายความเพิ่มเติมกับสิ่งที่มาในพระสูตรวันนี้ก็จะเป็นอีกพระสูตรหนึ่งทัพบูฟังก็เป็นเรื่องของท่านพระสารีบุตรอีกเหมือนกันคือเรื่องที่ท่านพระสารีบุตรเนี่ยไม่เชื่อพระพุทธเจ้าในเรื่องของความที่อินทรีย์ทั้งหลาย ถ้าฟังแค่ผิวเผินตรงนี้ก็อาจจะเอ๊ะทำไมท่านพระสารีบุตรไม่เชื่อพระพุทธเจ้าได้อย่างไรเราจึงต้องมาฟังเปรียบเทียบกันดูแต่คราวนี้ข้าพเจ้าจะให้ท่านผู้ฟังเนี่ยได้ฟังสิ่งที่เป็นตัวแม่บทก่อน ต, ตัวแม่บทเรื่องที่เป็นพระพุทธเจ้าตรัสกับท่านพระสารีบุตรนี้มาในคำปีที่ชื่อว่าสังยุตตนิกายอยู่ในเล่มที่19พระสูตรที่ชื่อว่าปุปปโกตกะ หมายถึงประตูเข้าออกทางพระนครแต่นั่นทิศตะวันออกตอนนั้นพระพุทธเจ้าประทับอยู่ที่นครสาวัตถีอยู่หน้าปุพบักโกตกะคือบริเวณประตูนี่แหละก็จะมีที่พักอยู่ได้ตรัสเรียกท่านพระสารีบุตรอันนี้คือข้าพเจ้าจะให้ท่านผู้ฟังได้ฟังตัวแม่บทก่อนนะแล้วเราจะมาทําความเข้าใจฟังเปรียบเทียบกันไปในส่วนที่เป็นธรรมบทด้วยเกื้ อ, อตาคดาด้วย พระพุทธเจ้าตรัสเรียกท่านพระสารีบุตรมาแล้วตรัสว่าสารีบุตรเธอเชื่อหรือว่าอินทรีย์คือศรัทธาที่บุคคลเจริญแล้วกระทำให้มากแล้วย่อมยังลงสู่อมตะมีอมตะเป็นเบื้องหน้ามีอมตะเป็นที่สุดแม้อินทรีย์คือวิริยะอินทรีย์คือสติอินทรีย์คือสมาธิและอินทรีย์คือปัญญา เธอเชื่อหรือว่าอินทร์เหล่านี้ที่บุคคลเจริญแล้วกระทําให้มากแล้ว ย, ออย่อมยังลงสู่อมตะมีอมตะเป็นเบื้องหน้ามีอมตะเป็นที่สุดในที่นั้นท่านปราสารีบุตรได้กราบทูลว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญในเรื่องนี้ข้าพระองค์ไม่ถึงความเชื่อต่อพระผู้มีพระภาคว่าอินทร์ ทหเหล่านี้เมื่อบุคคลเจริญกระทมไม่มากแล้วย่อมอย่างลงสู่อมตะมีอมตะเป็นเบื้องหน้ามีอมตะเป็นที่สุดโดยว่าอมตะนั้นถ้าชนเหล่าใดยังไม่รู้ไม่เห็นไม่ทราบไม่กระทำไม่แจ้งไม่พิจารณาเห็นโดยปัญญาชนเหล่านั้น ก็จะพึงถึงความเชื่อต่อชนเหล่าอื่นในอมตะนั้นว่ามีอินทรีย์คือศรัทธาวิริยะสติสมาธิและปัญญาที่เมื่อบุคคลเจริญกระทำไม่มากแล้วย่อมยังลงสู่อมตะมีอมตะเป็นเบื้องหน้ามีอมตะเป็นที่สุดก็แต่ว่าถ้าอมตะนั้นชนเหล่าใดรู้แล้ว เห็นแล้วทราบแล้วกระทําให้แจ้งแล้วพิจารณาเห็นแล้วด้วยปัญญาจนเหล่านั้นก็หมดความเคลียบแคลงหมดความสงสัยในอมะตะนั้นว่าอินทรีย์ทั้งหลายห้าอย่างที่เมื่อบุคคลเจริญกระทําให้มากแล้วย่อมอย่างลงสู่อมะตะมีอมะตะเป็นเบื้องหน้ามีอมะตะเป็นที่สุดข้าแต่พระองผู้เจริญ ก็อมตะนั้นข้าพระองค์รู้แล้วเห็นแล้วทราบแล้วกระทําให้แจ้งแล้วพิจารณาเห็นแล้วด้วยปัญญาข้าพระองค์จึงหมดความเกลืออแกลงสงสัยในอมตะนั้นว่าอินทรีย์ทั้งห้านี้เมื่อบุคคลกระทําให้มากแล้วย่อมมีอมตะเป็นที่อย่างลงมีอมตะเป็นที่สุดหนังนี้ พระผู้มีพระภาคได้ตรัสว่าดีละดีล่ะสารุบุตรด้วยว่าอมาตะนั้นชนเหล่าใดยังไม่รู้ไม่เห็นไม่ทราบส่วนเหล่านั้นก็พึงจะต้องถึงความเชื่อต่อชนเหล่าอื่นว่าอมาตะนั้นมีอินทรีย์คือศสตาวิริยะสติสมาธิและปัญญาที่เมื่อเจริญกระตามไม่มากแล้วย่อมอยังลง สู่อมตะก็แต่ว่าอมตะนั้นถ้าชนเหล่าใดรู้แล้วเห็นแล้วทราบแล้วกระทําให้แจ้งแล้วด้วยปัญญาส่วนเหล่านั้นก็หมดความสงสัยความเคลือบแคลงในอมตะนั้นว่าอินทรีย์ทั้งหลายห้าอย่างที่เมื่อบุคคลเจริญกระทาให้มากแล้วย่อมมีอมตะเป็นที่สุดมีอมตะ เป็นที่อย่างลงมีอมตะเป็นเบื้องหน้าปูปลาโกตกสูตรจบอันนี้คือตัวแม่บทที่พระพุทธเจ้าตรัสตามท่านพระสารีบุตรในเรื่องของอินทรีย์ทั้งหที่จะทาให้ไปถึงอมตะได้ว่าท่านพระสารีบุตรเชื่ออย่างนั้นหรือท่านพระสารีบุตรไม่เชื่อตามัหวังคือถ้าเราฟังดูผิวเผินแล้วก็จะลงความเห็นว่าเป็นอย่างนั้น แต่ถ้าเราอ่านโดยรายละเอียดแต่ตรงนี้มีนัยยะโดยรายละเอียดก่อนก่อนที่ข้าพเจ้าจะเสล็จให้ทรามบูฟังฟังเรามาฟังเรื่องที่เป็นธรรมบทที่เป็นการขยายความซึ่งเขาขยายตรงนี้เอาไว้ทรามบูฟังใ น, นการที่เรามาอ่านประสูต์แล้วเรามาดูส่วนที่เป็นอัตถคถาเพิ่มเติมตรวจสอบ ต, ตรงนี้เราจะได้ความรู้ข้อมูลที่เป็นบริบทเพิ่มเติมอันในที่มันสอดลงรับกันเราก็ตรงนั้น เรื่องที่เป็นเรื่องที่มาในธรรมบทเป็นเรื่องของท้านพระสารีบุตรธรรมบทแต่เรื่องพระสารีบุตรเทระพระศาสดาเมื่อประทับอยู่ในพระเชตวันชงปรารมพระสารีบุตรเท ร, พระพระธรรมเทศนานิว่าอสัตโธอากะตันยุจฉันทินเฉโธ จะโยนโรหะตาวะกาโสวันทาโสสะเวอุตมะโปริโสแปลว่านรใดไม่เชื่อง่ายมีปกติรู้พระนิพพานอันปัจจัยทำไม่ได้ตัดที่ต่อมีโอกาสอันกำจัดแล้วมีความหวังอันคายแล้วนรนั้นเป็นบุรุษ สูงสุดความพิสดารในเรื่องนี้ว่าภิกษุผู้อยู่ป่าเป็นวัดประมาณส0สิบรูปวันหนึ่งไปสู่สำนักพระศาสดาถวายบังคมนั่งแล้วพระศาสดาทรงทราบอุปณิสัยแห่งพระหรหัสพร้อมด้วยปฏิสัมพิทาทั้งหลายกองภิกษุเหล่านั้นแล้ว ตรเรียกพระสารีบุตรเทระมาตรัถามปัญหาปรารภอินรียห้าอย่างนี้ว่าสารีบุตรเธอเชื่อหรืออินรี์คือศรัทธานั้นบุคคลเจริญแล้วทำให้มากแล้วย่อมอย่างถึงอมตะมีอมตะเป็นที่สุดพระเตระตูนแก้ปัญหานั้นอย่างนี้ว่า ข้แต่พระองค์ผู้เจริญข้าพระองค์ย่อมไม่ถึงด้วยความเชื่อต่อพระผู้มีพระภาคเจ้าในอินทรี่ห้านี่แล ว, ว่าอินทรี่คือศรัทธาเป็นต้นมีอ ม, มตะเป็นที่สุดข้าแต่พระองค์ผู้เจริญอินทรีย์คือศรัทธานั่นอันชนเหล่าใดไม่รู้แล้วไม่สดับแล้วไม่เห็นแล้วไม่ทราบแล้วไม่ทําให้แจ้งแล้ว ไม่ถูกต้องแล้วด้วยปัญญาจนเหล่านั้นพึ่งถึงด้วยความเชื่อต่อชนเหล่าอื่นในอินรีห้านั้นว่าอินรีคือศรัทธาเป็นต้นมีอมะตะเป็นที่สุดดัง น, นี้ภิกษุทั้งหลายฟังคำนั้นแล้วสนทนากันว่าพระสารีบุตรเถระแก้แล้วด้วยการถือผิดทีเดียวแม้ในวันนี้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 สามารถเพื่อทำรรมักและผลให้แจ้งมีอยู่ก็สาริบุตรนั้นกล่าวว่าแคาแต่พระองค์ผู้เจริญข้าพระองค์ไม่เชื่อว่าผู้กระทำให้แจ้งอย่างนั้นชื่อว่ามีอยู่สาริบุตรไม่เชื่อผลวิบากแห่งทานอันบุคคลถวายแล้วหรือแห่งกรรมอันบุคคลกระทำแล้วก็หาไม่อันหนึง่งสาริบุตร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 และเมื่อจะส่งแสดงตามสื่อปนุสนที่จึงตรัสพระกาานี้ว่านาราใดไม่เชื่อง่ายมีบกติรู้ปรนิพานอันปัจจัยทำไม่ได้อัดที่ต่อมีโอกาสอันกำจัดแล้วมีความหวังอันคายแล้วนารานั้นเป็นบุรุษสูงสุดบาลีว่า อัสสัตโธอกะตันยูจสันทิเฉโทจะโยนะโรหตาวะกาโสวันตาโสสะเวอุตตะมะโพริโสในเวลาคำเหล่านั้นคำว่าอัสสัตโธพึงทราบวิเคราะห์ดังนี้นระชื่อว่าอัสัตโธ คือไม่เชื่อง่ายเพราะอาจว่าไม่เชื่อคุณอันตนแทงตลอดแล้วด้วยคมของชนเหล่าอื่นชื่อว่าอากะตันยูคือมีปกติรู้พระนิพาน์อันปัจจัยทาไม่ได้เพราะอัตถาว่ารู้พระนิพาน์อันปัจจัยทาไม่ได้แล้วอธิบายว่ามีพระนิพาน์อันตน ทำให้แจ้งแล้วชื่อว่าสันติเฉโทแปลว่าตัดที่ต่อเพราะอ ธ, ธวบาตัดที่ต่อคือวัตะที่ต่อคือสองสารและดำรงอยู่ชื่อว่าหะตาวะกาโศแปลว่ามีโอกาสอันกำจัดแล้วเพราะอ ธ, ธวบาโอกาสแห่งการบังเกิดชื่อว่าอันระ กำจัดแล้วเพราะความที่พืชคือกุศลธรรมและอกุศลธรรมสิ้นแล้วชื่อว่าวันตาโศแปลว่ามีความหวังอันขายแล้วพระอัตตาว่ากอหมังทั้งปวงชื่อว่าอันนาานี้ขายแล้วเพราะความที่กิจอันตนควรทำด้วยมักสีอันตนกำหนดแล้วกอ น, นระ เห็นป่านนี้ใดนานนั้นและชื่อว่าผู้สูงสุดในบุรุษพระอธิวาถึงความเป็นผู้สูงสุดในบุรุษทั้งหลายพระความที่แห่งโลกุตระธรรมนั้นตนแต่งตลอดแล้วเนิวลาจบพระคถาพิษุ ป, ประมาณส0รูปผู้อยู่ป่าเหล่านั้นบรรลุพระอรหัสต์พร้อมด้วยปฏิสัมพิทาทั้งหลายแล้ว แต่มเทศนะได้มีประโยชน์แม้แก่มหาชนที่เหลือดังนี้แหลเรื่องพระสารีบุตรเทระจบอาล่ะฟังจบแล้วได้ความว่าอย่างไรเราฟังมาทั้งสองเรื่องที่เาหวั ง, ฟ, งฟังส่วนที่ตรงเป็นแม่บทคราวนี้ฟังก่อนนะแล้วเราก็ฟังส่วนที่เป็นคําขยายเพิ่มเติมด้วยเราจะเห็นได้ว่า เรื่องที่มันสอดลงรับกันตรงนี้มีส่วนเพิ่มเติมขึ้นมาที่ว่าเอ๊ะพุทธสูปังคนเขาก็ไม่รู้ไม่เข้าใจเฮเพราะว่าทั้งสองท่านนี่เป็นผู้ที่มีปัญญามากนะคือพระพุทธเจ้ากับปัญญาสูงท่านพระสารีบุตรกัปัญญาสู ง, สญญสงคมด้วยทั้งสูงทั้งคมบางทีเปลี่ยนบทเพียญชนะกันนิดนึงโหคืออ่านมาตลอดเนี่ยแค่คํานึงเปลี่ยนไปตรงนี้ถ้าคนที่อ่านไม่ดีจะไม่ดีฟัง ไม่ได้ดีแล้วเนี่ยเขาก็จะคิดว่าเอ้ยมันมันก็น่าเหมือนกันนะทำไมไม่เชื่อเออแล้วทำไมเป็นอย่างนั้นอย่างนี้ก็จะมีความงงๆไปตัวอย่างที่มาในเรื่องที่เขาอธิบายแล้วว่าภิกษุบางพวกก็งงจริงๆล่ะพ ร, ะระาะพุทธเจ้าก็แก้ให้ในทีน่นี้ไม่ใช่ว่าท่านพระสารีบุตรเนี่ยไม่เชื่อเรื่องของกรรมไม่เชื่อเรื่องของคําสอนไม่เชื่อเรื่องของสมาธิติไม่ใช่แต่ว่าการที่คนเรามันรู้ได้ด้วยตัวเอง แต่ถ้มาฟังฟังโดยละเอียดเนี่ยจะรู้หล่าว่าคือเราไม่จําเป็นต้องเชื่อตามใครอื่นในคําสอนแห่งศาสดานตนอันนี้เป็นพุทธพจน์อันหนึ่งนะที่จะมายืนยันในเรื่องนี้ได้ว่าบุคคลที่ถึงความลงใจมั่นใจแล้วคืออย่างน้อยเป็นโสดาบันหลักจะไม่ต้องเชื่อตามบุคคลอื่นในคําสอนของศาสนาตนไม่ต้องไปให้คนอื่นเขามายืนยันว่าอันนี้นี้นะจะได้ผลอย่างนี้นะี้นะเพราะตัวเองทําเองแล้วมันได้เองจึงไม่ต้องเชื่อตามคนอื่น คือทำล้าได้ผลเองเห็นเองจะจ่า ก, กับตาตัวเองไม่จะเป็นจะต้องไปเชื่อหนังสือหรือตามที่ใครๆบอกเช่นด้วยการศึกษาในตมวังเพื่อที่จะให้เห็นตามที่พระพุทธาบอกคือไม่ใช่ว่าศึกษาตามตัวบทแล้วไม่ได้เห็นตามที่หนังสือเขาบอกเน่ยคือเข้าใจไปอีกแบบหนึ่งคิดว่าตัวเองรู้แต่จริงๆไม่รู้เนี่ยอันนี้มันคือการถูกงูพิษนั้นฉกเอาได้รับอันตรายจากพิษ แต่ถ้าเราเรียนรู้ทําความเข้าใจแล้วเนี่ยนะทำความเข้าใจให้ดีให้ถึงความที่ตัวหนังสือตัวบทนั้นหมายความว่าอย่างไรอย่างไรตรงนี้จะเป็นสิ่งที่จะทําให้การศึกษาการเรียนการสอนของเราเนี่ยเป็นประโยชน์ขึ้นมาข้าพเจ้าย้ำอีกครั้งหนึ่งเต่มมาฟังเลว่าตอนนี้พระพุทธเจ้าไม่อยู่แล้วการที่พระพุทธเจ้าไม่อยู่แล้วจึงเป็นเรื่องสํำคัญแน่นอนว่าเราจะต้องหาข้อมูลแหละพระพุทธเจ้าของเราตัดว่างไงตัดว่างไง เพราะว่าตัวท่านจริงๆตัวเป็นๆไม่อยู่แล้วเราไม่สามารถที่จะนั่งทานมิชีนหรือว่าเดินทางไปพบท่านได้ถึงแม้จะไปพบได้ก็อาจจะคุยกันไม่รู้เรื่องเพราะว่าท่านก็บุภาษาบาลีแล้วเราก็บุภาษาไทยหลักฐานที่เรามีเราจึงต้องคำกันค้นขวาแล้วเรื่องนี้ไม่ได้ยากเกินความสามารถหละตำรวจฟังเพราะว่าสมัยนียมน้มันมีคเครื่องหม้คเครื่องมือเยอะแยะไปหมดเอาแต่คนที่ใช้คอมพิวเตอร์ไม่เป็นใช่ไหมยิ่งใช้คอมพิวเตอร์เป็นนี่มันยิ่งสะดวกละ ในการเซิร์ชก็ตามภาษาไทยภาษาอังกฤษภาษาบาลีมีหมดถ้าใครใช้ไม่เป็นหนังสือก็มีหนังสือโอ้ยก่อนๆนั้นนี้ยิ่งลําบากเพราะว่ามีแต่ภาษาบาลีคุณก็ต้องผ่านด่านอีกขั้นนึงก่อนไปเรียนบาลีก่อนเรียนมาแล้วก็โหต้องใช้ความสามารถเป็นหลายๆ10ปิปีแล้วกว่าจะแปลได้คล่องแคล่วโอยเดีย๋ยวนี้ท่านผูรู้เขาแปลไว้ให้แล้วภาษาไทยก็มีแล้วภาษาไทยเนี่ยมันดีกว่าภาษาอื่นตรงที่ว่าในกำปี์ที่เป็นภาษาไทยเนี่ยเขาได้มีการแปล ส่วนที่เป็นอันตกขานี่มาไว้ให้แล้วแต่ภาษาอังกฤษหรือภาษาอืน่นๆที่เร า, าจะรู้ทราบเนี่ยปเป็นภาษาจีนภาษาอะไรเนี่ยเขาจะยังไม่ได้มีการแปลส่วนที่เป็นอันตกขาอัตกขานี่ยังเป็นส่วนที่เป็นภาษาบาลีอยู่เพราะฉะนั้นเรามีข้อมูลให้เปรียบเทียบอยู่หลายอย่างหลายชั้นพูดง่ายในข้อมูลที่เราให้เปรียบเทียบอยู่หลายอย่างหลายชั้นเนี่ยเราก็มาศึกษาเปรียบเทียบดูเพื่อให้อะไรเพื่อให้ความรู้ของเรากว้างขวาง เพื่อเราหาข้อมูลว่าให้ใกล้เคียงสิ่งที่พระพุทธเจ้าสอนทั้งในเรื่องบริบททั้งในเรื่องความหมายในคำแปลในอัตถะบทพยัญชนะบางที่บางทีก็จดผิดมามีความคลาดเคลื่อนพอเราอ่านทำความเข้าใจตามหลักฐานต่างๆแล้วมันจะมีความกระจจางแจ้งขึ้นมาได้อั น, นี้การศึกษาของเราก็จะเป็นประโยชน์ขึ้นมาพูดง่ายๆก็คือจับงูพิษชนิดที่ไม่ให้มันกัดเราได้ ได้ประโยชน์จากงูพิษนั้นการศึกษานั้นให้ท่านผู้ฟังได้ฟังเรื่องของท่านพระสารีบุตรแล้วคราวนี้มาฟังเรื่องของท่านพระมหาโมคลานะบ้างเรื่องที่พระพุทธเจ้าได้อธิบายถึงว่าเออเปรตเป็นอย่างนั้นอย่างนี้มีเปรตกี่ประเภทประเภทแต่ก็มีเปรตอยู่ประเภทหนึ่งคือปรารบเรื่องนี้ที่พระพุทธเจ้าบอกเนี่ยก็แปลว่าท่านพระมหาโมคลานะเนี่ยไปพบไปเห็นมาด้วยฤทธ คือความที่ท่านมีตาทิพย์เนี่ยแหละนะท่านพระมหาโมคลนะนัมีตาทิพย์ไปเห็นเปรตประเภทนั้นประเภทนี้เอามาตูลรายงานให้พระพุทธเจ้าฟังพระพุทธเจ้าก็ตรัสบอกอธิบายในส่วนที่เป็นธรรมบทนีก็มีเรื่องเพิ่มเติมในบริบทคือเรื่องของเหตุปัจจัยเช่นว่าเขามีกรรมเป็นมาอย่างไรอย่างไรทําไมถึงมีสภาวะเป็นแบบนี้แบบนี้ได้เรามาฟังเรื่องของท่านพระมหาโมกันะธรรมบทแปลเรื่องอะฮิเปรต ในวันหนึ่งท่านพระลักษณะเทระซึ่งจัดอยู่ในพวกชลินพันหนึ่งและท่านพระมหาโมคลณนะเทระลงจากภูเขาคิจกูดโดยคิดว่าเราจะเที่ยวบินาบาบัดในกรุงราชจฤกรบรรดาพระเทระสองรูปนั้นท่านพระมหาโมคลานะเห็นอหิเปรตตนหนึ่ง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 ในสำนักพระผู้มีพระภาคเจ้าเถิดกเมื่อพระเทระทั้งสองนั้นเที่ยวบินนาบดในกรุงราชจจกฤห์ไปสู่สำนักของพระผู้มีพระภาคเจ้าแล้วนั่งลงที่ส่วนข้างหนึ่งพระลัคณะเทระถามว่าท่านโมคละณนะผู้มีอายุท่านลงจากภูเขาคิจกูดทำการแย้มให้ปรากฏ ผมถามถึงเหตุแห่งการแย้มแล้วท่านได้กล่าวว่าให้ผมถามในสำนักพระผู้มีพระภาคบัดนี้ท่านจงบอกเหตุนั้นเถิดพระหมาหมกละนะกล่าวว่าท่านผู้มีอายุผมเห็นอะหิเปรตตนหนึ่งจึงได้ทำการแย้มให้ปรากฏอัตภาพของเปรตนั้นเห็นป่า น, นี้คือสีสาะของมันเหมือนสีสากมนุษย์ อัตภาพที่เหลือของมันเหมือนของงูนั่นชื่ออะฮิเปรตคืออัตภาพโดยประมาณ25ห้าโยดเปลวไฟตั้งขึ้นจากศีรระของมันลามไปจนถึงหางตั้งขึ้นจากหางถึงศีสระตั้งขึ้นในท่ามกลางลามไปถึงข้างทั้งสองตั้งขึ้นแต่ข้างทั้งสองรวมลงในท่ามกลางดังนี้ ได้ยินว่าอัตภาพของเปรตทั้งสองนั่นและยางประมาณ25โยตของเปรตที่เหลือประมาณสมก้าวุธของอาหีเปรตนี้นั่นแลและของกากะเปต์ประมาณ25โยต์บรรดาเปรตทั้งสองนั้นอาหีเปรตเป็นดังนี้ก่อนตอนปุรวกรรมของกากะเปรต ระหมาโมกลณนะเห็นแม้กากระเปรดอันไฟไม่อยู่ที่ยอดเขากิจกูรเมื่อถามบุรรปรรมของเปรดนั้นจึงได้กล่าวกาถานี้ว่าลิ้นของเจ้าประมาณสี่ยอศีรษะของเจ้าประมาณ9ก้ายอดกายของเจ้าสูงประมาณ25โ้ายอเจ้าทำกรรมอะไรไว้จึงถึงทุกเช่นนี้กระนั้น เบเรศเมื่อจะบอกแก่พระเทระนั้นจึงกล่าวคาตานี้ว่าพระหมหาโมคละนะผู้เจริญข้าพระเจ้ากลืนกินพัดตามปรารถนาที่เขานำมาเพื่อสง์ของพระพุทธเจ้าพระนามว่ากัสปะผู้แสวงหาคุณณ์ใหญ่ดังนี้แล้วเบรศจึงได้กล่าวต่อไปว่าท่านผู้เจริญในการแห่งพระพุทธเจ้าพระนามว่ากัสปะ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 กรรมเพียงเท่านี้บุทรพกรรมของข้าพเจ้าข้าพเจ้านั้นทำกาละแล้วไม่ในเอเวจีเพราะวิบากแห่งกรรมนั้นในบัดนี้เกิดเป็นกากัะเปรตเสวยทุกนี้ที่เขาคีจกูดด้วยผลกรรมที่เหลือในพระกรรมนั้นเรื่องกากับเปรตมีเท่านี้แต่ในเรื่องนี้ พระเถระกล่าวว่าผมเห็นอหิปเปรต จ, จึงได้ทำการแย้มให้ปรากฏลำดับนั้นพระาศาสดาทรงเป็นพยานของพระเถระนั้นตรัสว่าพิสุททั้งหลายโมคลณนะพูดจริงก็เราเห็นเปรตนั่นในวันบรลุสัมมาสัมปวิยานเหมือนกันแต่เราไม่กล่าวเพราะหินดูกอื่นว่าจนเราใด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 ก็กล่าวไว้อย่างนั้นเหมือนกันภิกษุทั้งหลายฟังเรื่องนั้นแล้วจึงทูลถามบุรพกรรมของเบรตนั้นแม้พระาศาสดาก็ตรัสแก่ภิกษุตอนนั้นว่าตอนบุรพกรรมของอหิเบรตได้ยินว่าในอดีตการพวกชนอาศัยกรุงพารณาณสีสร้างบารรณาสลาไว้เพื่อพระปัจเจกพระเจ้า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 ถนามหาชนเมื่อไปสู่ที่บารุงพระปัจเจกพุทธเจ้กกาย่อมเหยียบย่ำนานั้นไปทั้งเชา้าทั้งเย็นชาวนาแม้ห้ามอยู่ว่าขอพวกท่านอย่าเหยียบบญนาของข้าพเจ้าก็ไม่สามารถจะห้ามได้ครั้นชาวนานั้นได้มีความคิดอย่างนี้ว่าก็าถ้าบารรณศาลาของพระปัจเจกพุทธเจ้กกา ไม่พึงมีในที่นีไซชนทั้งหลายก็ไม่พึงเหยียบย่ำนาของเราก็าในการที่พระประเจ ก, กพุถุชาวเข้าไปบินบาเชาวนานั้นทุพภาชนะเรื่องใช้แล้วเขาบรรณศาลาเสียพระประเจ ก, กพุถชาเห็นบรรณศาลานั้นถูกไฟไหม้จึงหลีกไปตามสบายมาหาชนถือของหอม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 ขึ้นประมาณโยอหนึ่งแล้วจึงเกิดเป็นอาหีเปรตที่เขากิจกูดโดยผลกรรมที่เหลือตอนพระศ า, าสดาทรงเปรียบเทียบผลกรรมพระศ า, าสดากรตนัสบุต ร, รกรรมของอาหีเปรตนั้นแล้วจึงตรัสว่าพิสุท์ทั้งหลายชื่อว่าบาปกรรมนั้นเป็นเช่นกับน้ำนม น้ำนมอันบุคคลกำลังรีดแลย่อมไม่แปรไปฉันใดกรรมอันบุคคลกำลังกระทานั่นแหลก็ยังไม่ทันให้ผลฉันนั้นแต่ในการใดกําให้ผลในการนั้นผู้กระทมย่อมประกอบด้วยทุกขเห็นป่านนั้นนั่นี น, นแล้วเมื่อจะทรงแสดงธรรมสือปนุสสนทิจึงตรัสพระกาานี้ว่า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 และนี่ก็เป็นอีกตัวอย่างหนึ่งท่านผู้ฟังในหลายๆพระสูตรที่จะมีการที่คําอธิบายเนี้ยจะอ้างถึงในส่วนที่เป็นพระสูตรต่างๆโดยในเรื่องนี้เรื่องเกี่ยวกับอาฮิเรตที่ปรารบการที่ตัพระมหาโมคุลนะได้ไปเห็นเปรตที่เป็นสภาวะต่างๆในที่นี้ถ้าเราไปดูในตัวแม่บทที่มาในสังยุตติกายเนี้ยจะมีอยู่ตอนหนึ่งทีเดียวที่พูดถึงเปรตอยู่หลายๆประเภท ในที่นี้ท่านอธิบายไว้ว่า20ประเภทด้วยกันแต่ที่แต่ละประเภทจะเป็นยังไงรูปร่างของมันจะแตกต่างกันออกไปในที่นี้หมายถึงในคาถาธรรมบทเนี่ยที่ท่ามีการอธิบายไว้เนี่ยก็จะอธิบายถึงบุพกรรมของเปรตแต่ละประเภทแต่ละประเภทตามที่ท่านพระมหาโมคละนะได้ไปเห็นมาเห็นมาซึ่งในพระสูตรบางจุดบางประเภทก็อธิบายไว้บางจุดบางประเภทก็ไม่ได้กล่าวถึงเอาไว้ ต, ตรงนี้ถ้าเราฟังแล้วก็จะมีความรู้กว้างขวางอย่างดีว่าวันนี้เวลาหมดแล้วท่าูฟังข้าพเจ้าพระมาหาภัยบุญอาพีปุณโนจากวัดป่าดอนไฮโซถ้ า, าฟังยังมีคำถามสิ่งใดๆไว้ที่เว็บไซต์ได้ที่เพียวดรมาน .com p u r e d h a m m a .com จริึงบัดน